นักปฏิบัตินะเกือบร้อยละร้อยนักเพ่งตอนหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดุลแล้วหลวงปู่รับรองว่าช่วยตัวเองได้แล้วหลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักต่างๆสำนักครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงพบปัญหาหลักเลยนะ คือเรื่องของสมาธิไม่ถูกบางสำนักเนี่ยไม่ทำสมาธิเลยอยู่ๆก็เอาจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยไปเจริญปัญญาทำไม่ได้จิดไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้มาคือเซลล์จัดอีกพวกหนึ่งทำสมาธิแบบเพ่งเอาไว้ จ้องนิ่งเครียดสติคุมไม่อยู่ก็ บ, บ้าไปไม่ถึงก็ บ, บ้าก็เหนื่อยหน่ายท้อแท้เดี๋ยวก็เลิกน้อยคนที่จะผ่านเข้าถึงเส้นัฉได้เข้ามรคถึงมรคถึงผลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการเรียนธรรมะ เรียนไม่ครอบคลุมพอบทเรียนของธรรมะเริ่มจากศีลสิกขาเรียนเรื่องการรักษาศีลทํายังไงจิตใจเราจะเป็นปกติเป็นธรรมดาไม่ถูกกิเลสครอบงําจิตที่มีศีลนั่นคือจิตที่เป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงําอาการของการรักษาศีลเช่นถือศีลห้าศีลแปดอะไรไป แต่มุ่งมาสู่การฝึกจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำมันจะไม่ทำผิดมันเริ่มจากไม่คิดผิดมันไม่พูดผิดไม่ทำผิดก็ามีศีลขึ้นมาถ้าใจมันถูกกิเลสครอบงามันก็คิดผิดผิดพูดผิดผิดแล้วก็ทำผิดผิดก็ผิดศีลจนได้ บทเรียนที่สองเป็นบทเรียนที่คนทั่วไปลาเลยชื่อว่าจิตสิกขาถ้าชื่อเต็มยศนะเรื่องอาธิจิตสิกขามีอาธิด้วยอาธิศิลสิกขาอาทิจิตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาจิตสิกขาเป็นการเรียนรู้จิตบางคนก็เรียนทฤษฎีบอกว่าสมาธิ เป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเพราะงั้นไม่ต้องเรียนเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะคิดว่าสมาธิเกิดกับจิตทุกดวงไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายชนิดเพราไม่เคยเรียนเรื่องจิตมิจฉาสมาธิทาให้ตายไปก็ไม่เกิดปัญญามีแต่ขวางการเจริญปัญญาต้องรู้จักว่าสมาธิอย่างไรเป็นสมาสมาธิชนิดไหนเป็นมิจฉาสมาธิ ตัวที่หลวงพ่อไปเที่ยวตะเวนสํารวจมาวัดโ น, น้นวัดนี้สํานักโ น, น้นสํานักนี้ที่พลาดที่สุดนะ่ะคือเรื่องของสมาธินี่งพวกหนึ่งก็นั่งแต่สมาธินะซึมนิ่งๆหรือก็สบายใจเคลิ้มไปหรือใจก็สว่างจ้าไหลออกข้างนอกไปนะที่ก็เห็นโ น, น้นเห็นนี่ไปอีกพวกหนึ่งไม่นั่งสมาธิเลยไม่ปฏิบัติทางจิต พวกที่ไม่ทำสมาธิเลยก็ไปเจริญปัญญานะไปกำหนดรูปกำหนดนามหรือไปคิดพิจารณากายอะไรเงี้ยอยู่ๆก็ไปคิดเอาเลยหรือไปกำหนดรูปกำหนดนามกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะสุดโต่งไปค้างตึงพวกเราที่มาบวชกับหลวงพ่อพวกเราลองสังเกตพระหลวงพ่อดูงามไหม ดูสงบไหมเสื่องซึมไหมสงบแต่ไม่เสื่องซึมแต่ตอนนี้เริ่มฟุ้งซ่านแล้วล่ะเริ่มตกใจตกใจแล้คนหันไม่มองมากใจที่งดงามราบเรียบกระชอกไปนิดหน่อยพลังตึกเปลือยอย่างไม่มากบางคนเพิ่งบวดเดือนสองเดือน ลูกศิษหลวงพ่อที่มาบวชนี่ก็มาจากพวกเรานี่แหละหลวงพ่อไม่ได้เปิดรับทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็จะรับคนซึ่งเคยได้ยินได้ฟังอย่างพวกเราฟังธรรมะหลวงพ่อมาพอสมควรแล้วก็อยากปฏิบัตินะนึกว่าที่ปฏิบัติอยู่ตอนเนี้ดีแล้วนึกว่าที่เราทําอยู่ตอนนี้ดีแล้วพอมาบวชเข้าจริงนะ่ล้องโอ้กทุกคนเลย ทุกองว่าทำไมไม่เหมือนตอนที่เป็นโยมโคระชันกันเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอจิตใจตั้งมั่นงดงามอย่างนี้แล้วนะจิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนเบาคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานก็น้มน้อมจิตไปให้เกิดญาณทัศนะคือพาจิต ที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกาใจสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิมีหลายแบบนะมีสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติเกิดจากจิตากุศลทั้งหลายนะมันเป็นมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิประกอบด้วยสติเกิดจากจิตที่เป็นกุศลทั้งหลาย ยังม <emás>. ีสองชนิดจ well. ิตท well ี่เป็นกุศลมีสองชนิดนะชนิดหนึ่งประกอบด้วยปัญญาชนิดหนึ่งไม่ประกอบด้วยปัญญาสมาธิที่เกิดร่วมกับจิตที่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นแบบหนึ่งเรียกว่าลักขณูปนิชานสมาธิที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นอารามณูปนิชานอันนี้อาจจะไม่ตรงปริยัตนะหลวงพ่อเรียนจากการปฏิบัติมาถ้าปริยัติก็ถือว่า เข้าฌานได้ก็ถือว่ามีปัญญาแล้วล่ะแต่สำหรับเรานักปฏิบัติเราทำวิปัสสนาได้ถึงเรียกว่ามีปัญญาถ้ยังทำสมถะได้เท่านั้นไม่เรียกว่ามีปัญญาหรอกสมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทําทำยังไงเราจะสามารถมีสมาธิที่ดีมีสมาสมาธิซึ่งมีสองชนิดชนิดหนึ่งสงบ ชนิดหนึ่งตั้งมั่นสงบนะเอาไว้พักผ่อนให้มีแรงเหมือนชาร์จแบตพอชาร์จแบตแล้วมีแรงแล้วก็มาฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเป็นจิตที่เป็นมหากูุสรจิตประกอบด้วยปัญญาเรื่องญาณสัมพยุทธ์เกิดเองโดยไม่ต้องชวนให้เกิดต้องเกิดเองด้วยฝึกจนกระทั่ง จิต ท, ที่เป็นกุศลดวงเนี้ยเกิดขึ้นเองถ้ายัางต้องโน้มนำให้เกิดนั่งเกลี้ยกล่อมให้เกิดอยู่เป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนเพะนั้นจิต ท, ที่เราจะใช้สําหรับทํำวิปัสสนาแท้ๆเลยนะที่ได้ผลจริงๆมีอยู่สองดวงเองจิต ท, ที่เป็นกุศลมีทั้งหมดแปดวงไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยสี่เหลืออยู่สี่ที่มีปัญญาในสี่ดวงเนี่ย สองดวงเกิดขึ้นอัตโนมัติอีกสองดวงต้องเราให้เกิดจิต ท, ที่ต้องถูกเร่งเราให้เกิดกุศลเนียเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนมันเหมือนอย่างเราอยู่ๆเราอยากใส่บาตรเนียไม่ต้องมีใครชวนอนนี้กุศลย่า่นี้แรงถ้าพ่อแม่เราเรียกเฮ้ยไปใส่บาตรได้แล้วชี้เกียนบิดไปบิดมาอย่างนี้นะไปก็ไปอย่างเงี้ยได้บุญเล็กน้อย เป็นกุศลเล็กน้อยอ่อนกุศลที่เกิดอัตโนมัตนะิด้วยความเคยชินที่จะมีกุศลกุศลอย่างนี้มีกำลังนี่ทำไมเหลือสองดวงกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็เกิดอัตโนมัตินะมีอยู่สองดวงอีกดวงหนึ่งมีความสุขสสมนัตเมตนาอีกดวงนึงเป็นอุเบกขาเฉยๆเพราะฉะนั้นจิตที่เวลาจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นนะ บางทีก็มีความสุขผุดขึ้นมาเลยอัตโนมัติบางทีเฉยๆหันใหม่ๆนะความสุขจะผุดตูตลุดเลยผุดๆๆดผุดขึ้นมาเรื่อยๆพอชำนี้ชานานแล้วเนี่ยความสุขยังเป็นเครื่องเสียดแทงจิตสู้อุเบกขาไม่ได้หรอกอุกเบกขาสูงกว่าสุดท้ายจิตเราจะเป็นกลางนะไม่ไปหลงเพลิดเพลินในความสุขของสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นรูปเห็นนาม ทำงานไปตัวนั้นเรียกว่าการเจริญปัญญายากที่สุดของการปฏิบัติก็คือการฝึกจิตให้มีคุณภาพสำหรับการเจริญปัญญาื่อจิตมีคุณภาพที่จะเจริญปัญญาแล้วไม่ยากเลยที่จะเกิดปัญญาไม่ยากเลยง่ายที่สุดที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆง่ายง่ายง่ายมันคือง่ายในขั้นของการเจริญปัญญานะ ถ้จเจริญปัญญาเป็ดง่ายที่สุดเลยไม่ต้องทําอะไรหรอกจิตมันทําของมันเองจิตมันไปเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจเห็นไตรลักษณ์ของมันเองแต่ก่อนที่จิตจะมีคุณภาพไปทํางานอย่างนี้ได้นะี่ยากไม่ใช่เล่นเหมือนกันแต่ก่อนหลวงพ่อก็ว่าง่ายนะหลวงพ่อฝึกสมาธิมาตเด็กๆรู้สึก ง, ง่ายจะตายไปภาวนานี่พอมาดูตัวอย่างจากพวกเราเนะี่ยทําไมมันยากหนักกว่า มสมาธิมันไม่มีสมาธิมไม่พอต้องฝึกแล้วต้องฝึกสัมมาสมาธินะฝึกมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้สมาธิอะไรที่ลืมเนื้อลืมตัวขาดสตินะั้นเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดเลยอย่างนั่งไปนะเนี่ยเคลิ้มไปเห็นไหมทําเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นทําได้ทันทีเลยเนี่ยถ้วลบมันทิ้งไป ต้ฝึกวิธีฝึกนะบอกวิธีแล้วนะทีแรกบอกว่าเราจะฝึกสมาธิที่ดีสมาธิที่ดีมีสองอย่างนะอันหนึ่งเอาไว้พักผ่อนจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอรมณูปนิชานอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเห็นรูปธรรมนามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้ดูเห็นไตรลักษณนะ์อย่างนี้เรียกว่าลักขณูปนิชาน สมาธิที่เราจะฝึกกันมีสองชนิดมีสองอย่างส่วนสมาธิที่เลวไม่มีสตินั้นไม่ต้องฝึกมีอยู่แล้วลงนั่งไปเดี๋ยวก็หลับถ้าไม่หลับก็เครียดเคยไม่นั่งจนเกร็งไปหมดทั้งตัวเลยนั่งจนคอยอกหลังยอกอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ใช้ไม่ได้เป็นมิจฉาสมาธิวิธีฝึกสมาธิที่ถูกต้อง ต้องมีสติแล้วสมาธิชนิดที่สงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งเป็นคนรู้อยู่นะมีอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักเลือกองเงี้ยเคล็ดลับในการทาสมาธิให้จิตสงบเนี่ยต้องรู้จักเลือกอารมณ์อะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิในอภิธรรมมีความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ ความสุขมันอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ที่ตัวอารมณ์ที่มีความสุขอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่ไปรู้อารมณ์เรียกว่าจิตจิตที่ไปรู้อารมณ์นั้นต้องเป็นจิตที่มีความสุขด้วยนะมีจิตที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วมีความสุขสุขกับสุขเจอกันปั๊บสมาธิชนิดสงบจะเกิดขึ้นทันทีเลยในหะลวงพ่อทำนี่ปุ๊บเดียวนะมนลุกแล้ว ทำไมขนลุกก็มันหนาวอ่ะเพราะนั <center> ้น <laughs> เราต้องดูว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจเร า, าไปดูในเรื่องของสมถะกรรมฐานนะ อารมณ์ของสมถากรรมฐานในตำลารวบรวมไว้สี่สิบชนิดนเรียกกรรมฐานสี่สิบไปหาอ่านเอาเองเดี๋ยวนี้ดู Google มีหมดแล้วจำเป็นรู้มากนะก็ไม่รู้แต่ไม่เห็นมันภาวนาเป็นเลยนะมันรู้อย่างเดียวภาวนาไม่ได้ในสี่สิบชนิดเนี่ยมีอยู่สิบชนิดที่ไม่แนะนำให้ทำคือกระสินสิบอย่างกระสินเนี่ย มันเล่นไปมันจะออกไปทางอภิญญานะแล้วกสินเนี้ยมักจะออกข้างนอกจิตมักจะออกไปข้างนอกอย่างเรานั่งดูพระพุทธรูปเนะี้ยก็คือดูทาก้อนทากดินอะไรอย่างเงี้ยดูไปนะหรือดูแสงสว่างจุดเทียนมานะดูแมนะ้จิตเราไปดัวไปข้างนอกเราจะเดินปัญญาต่อยากเพราะจิตไปอยู่ข้างนอกซะแล้วจนะต้องฝึกให้จิตเข้าบ้านให้จิตเข้ามาอยู่ในใกายในใจนี้ นั่นถึงจะเดินปัญญาได้เนั้นสมถะกรรมฐานสี่สิบชนิดเนี่ยยกเว้นไว้สิบชนิดนะคือกสินสิบอย่างเนกะสินดินน้ำลมไฟรนกะสินสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเขียวนะแล้วมีอะไรอีกเพ่งอะไรอีกเพ่งว่างนะเพ่งพูดจำไม่ได้ลืมหมดละไม่ค่อยได้เล่น พอสอนพวกเราก็าอย่าไปเล่นนะหลวงพ่อก็เลิกเล่นเล่นมากไม่ดีตูกไหมเล่นมากแล้วอายุยืนมันยืนไปเรื่อยๆไม่ค่อยตายตอนบวชใหม่ๆมีพระองค์หนึ่งใช้คำนั้นก็แล้วกันมาบอกว่าจะสอนวิชาปรุงธาตุให้ ถามว่าเรียนแล้วได้อะไรเรียนแล้วอายุยืนไปเรื่อยๆหนะลอพระศีอาตไม่เอานิมนต์ไม่เอาเนี่ย อ, <c oughs> อายุยืนไปลำบากวิธีฝึกนะให้เราเนี้ยไปเลือกดูแต่กรรมฐานที่หลงพ่อแนะนำเนี่ยที่ง่ายที่สุดคือพุทโธนะ พุโทโธนะพุโทโธไปเนี่ยพุทโธไม่มีกระบวนท่าอะไรเลยไม่ต้องตั้งท่าอาณาปณะสติยังยากกว่านะอาณาปณะสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่กว้างพลิกแปลงได้สารพัดเลยพุโทโธเนี้ยซื่อๆไม่ค่อยมีอะไรหรอกพุโทโธพุทโธไปแต่ต้องใจสบายนะพุโทโธแล้วสบายใจถึงจะใช้ได้ถ้าพุโทโธแล้วใจอึดอัดเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องไปดูตัวเอง หรืคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์ไรเงี้ยถ้าคิดถึงแล้วใจมีความสุขก็เอาคิดถึงทานคิดถึงศีลที่เราทํามาดีแล้วก็ใช้ได้คิดถึงความสงบถ้าเราเคยสงบมาแล้วเราคิดถึงความสงบระ ล, ลึกถึงบรรยากาศของความสงบปุ๊บจิตก็สงบเลยพวกเราเคยได้ยินเสียงของความเงียบไหมเวลายอยู่ในที่สงัดนะ แล้วมันได้ยินเสียงนะมันไม่ใช่ไม่มีเสียงเลยเวลาที่เราจะทำสมาธิชนิดสงบอยู่กับความเงียบๆนะเรานึกถึงเสียงได้ยินไหมเหมือนเสียงชักระจันร้องอ่ะเหมือนเสียงร้องอย่างนีน้อย่าไปฟังอีนกนี่นะ <c oughs> อีนกกาเบาให้ฟังเสียงของความเงียบนะ s าวออฟไซเเสียงเหมือนเสียงหลิงเลไรร้องอยู่ในหูสังเกตไหมพอเราไปฟังเนี่ยจิตเราเหมือนสงบอย่างรวดเร็วเลยรู้สึกไหมเนี่ยเราเ ล, ลึกถึงความสงบนึกถึงความสงดัดนึกถึงความเงียบเนี่ยจิตก็เข้าสมาธิอย่างรวดเร็วละถ้าทำสมาธิเป็นนะจริงๆแล้วในกรรมฐานสนะี่สิบเนีย ทำได้แล้วก็มันต่อเนื่องกันไปได้อยากก่างกระสินสิบข้อนะได้ข้อหนึ่งแล้วได้ได้อีกเก้าข้อไม่ใช่เรื่องยากนะแต่กรรมฐานที่หลวงพ่อแนะนำเนี่ยคืออนุสติมีสติตามระลึกรู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธโธพุทโธคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปได้ยพระพุทธเจ้ามี ปัญญาที่คุณตัดสู้เองพระพุทธเจ้ามีกรุณาที่คุณมาสอนบวกควายอย่างพวกเราไม่ใช่เรื่องง่ายนะพระพุทธเจ้ามีมีมีกรุณามีปัญญามีกรุณานะแล้วก็มีบริสุทธิ์ที่คุณนะคิดถึงท่านอย่างเนี้ยใจเราสงบหรือเราคิดถึงธรรมะนะหมวดธรรมะสักหมวดหนึ่ง อย่าคิดเยอะเกินนะถ้าคิดธรรมะเยอะเกินเนะี่ยจะฟุง้งซ่านไม่สงบหรอกมีธรรมสะสักหัวข้อหนึ่งพิจารณาไปเรื่อยๆใจก็สงบคิดถึงพระสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เรารู้สึกคิดถึงแล้วสบายใจถ้าคิดถึงองค์ไหนแล้วไม่สบายใจอย่าไปคิดถึงอย่างองค์นี้ชอบเลี้ยไหลคิดถึงที่ไรแล้วก็เป๋าร้อนทุกทีเลยนะอย่างนี้ใจร้อนไปด้วยอย่าไปคิดถึง หรือคิดถึงเทวดาคิดถึงเทวดาทำยังไงเราดูเทวดาไม่เป็นคิดถึงมนุษย์ที่เป็นเทวดาอย่างในหลวงองค์ก่อนเนี่ยเป็นส ม, มุทริเทพแล้วความประพฤติของท่านเป็นเทพจริงๆคุณงามความดีท่านเยอะเวลาเราคิดถึงท่านแล้วเรามีความสุขัหมเวลาเรานึกถึงท่านเรามีความสุขสมเด็จพระเทพเนี่ยนึกถึงเรามีความสุขหมยอย่างเนี้ยนึกล้วมีความสุขนะ ถ้าเป็นพวกดูร้ายก็หายเลือดพระเจ้าเสือนึกถึงแล้วมีความสุขไหมนึกถึงรัศยองพระเจ้าเสือในประวัติศาสตร์บอกชอบข่มขืนเด็กอะไรเงี้ยนึกถึงแล้วไม่ดีอย่าไนึกถึงเอาที่นึกถึงแล้วมีความสุขเอาแบบเนี่ยอย่างในหลวงองค์ก่อนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเพราะท่านมีทศพิทราชธรรมท่านมีธรรมะอยู่ในตัวท่านเรานึกถึงท่าน นึกถึงความดีที่ท่านสร้างเนี่ยพยายามไปนึกความดีที่ท่านสร้างนะเราจะมีความสุขอย่างนี้เรียกว่าเทวตาโนสติศีลานุสติถ้าเราเคยถือศีลอย่างพรรษาหนึ่งเนี่ยเราถือศีนมาได้ตลอดพรรษาตั้งใจไว้พอออกพรรษามานะเรานึกถึงศีลที่เรารักษาแล้วเนี่ยจิตจะมีความสุขสมาธิจะเกิดทันทีเลยนะหรือคิดพิจารณาความตาย ชีวิตนี้ไม่แน่นอนใครเวลาไปงานศพแล้วจิตสงบบ้างมีไห้ยกมือซิใครไปงานศพแล้วจิตฟุ้งซ่านจะไปพิจารณาความตายะเดี๋ยวไม่คิดแต่จะไปกินอะไรดีจะ <c oughs> ไปกินหรือจะไปเหมือนจะไปสังสรรค์นนะไปงานศพเหมือสนสังสรรค์ใช้ไม่ได้ถ้าไปงานศพแล้วร่าเริงเบิกบานใจไม่ใช่ว่าศัตรูตายแล้วร่าเริงนะมายถึง พ่อเราตายเนี่ยจิตเราลาดเริงได้ถ้าเราเห็นความตายเป็นของธรรมดาความตายเป็นความจริงความไม่ตายไม่จริงความตายเป็นความจริงเห็นอย่างนี้น ใ, นใจลาดเริงใจก็สงบคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงความสงบคิดถึงความตายคิดถึงคนดีคิดถึงลมหายใจ หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยคิดถึงลมหายใจนะคิดถึงร่างกายกายาเขเรียกอะไรกายคตาสติมีสติระลึกถึงส่วนต่างๆของร่างกายส่วนที่แนะนําให้ระลึกถึงเบื้องต้นมีห้าอันผมขนเล็บปันหนังทําไมแนะนำห้าอันนี้ก่อนเพระพระพุทธเจ้าแนไว้ ในร่างกายอาการสามสิบสองส่วนนะนะส่วนที่ดู ง, ง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเนะคือผมผลเล็บปันหนังตัดผมประจำไหมพอตัดแล้วเป็นของเราไหมเอามากอดเส้นผมหรือตัดเล็บมือเล็บเท้า น, ะนี่ของเรามาโรยข้าวกินเ <c oughs> ห็นไมเป็นของหน้าหลังเกียจไปหมดเลยพอหลุดออกมาเท่านั้นหน้าหลังเกียจเลยใครเคยเป็นแผลมีสะเก็ดไหม สเก็ตหลุดออกมาเนี่ยเสียดายไ้มสเก็ตนี้แผ่นนี้สวยนะเก็บมาไว้ห้อยคอไม่เอานะผมควรเล็บฟันหนังฟันหลุดออกมาแล้วเอาไปอมเล่นไหมไม่เอาแล้วพอหลุดเรอาอเกือกเรามาแล้วไม่เอาแล้วเป็นะของไม่ดีไม่สวยไม่งามแล้วไม่หวงแล้วนะแต่ฟันหลวงพ่อนี่คนแย่งกันจังเลยนะพวกงมงายนะงมงาย เนี่ยเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ลงไปนะเราไปดูตัวเองว่าทํากรรมฐานอะไรแล้วสงบมีความสุขแล้วมันจะสงบง่ายอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กหลวงพ่อใช้อนาปนานสติหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะแป๊บเดียวสงบตอนเจอหลวงตามหาบัวตอนนั้นจิตหลวงพ่อทําผิดหลวงพ่อทิ้งการทําสมถานะจิตไปอยู่ข้างนอก ว่างสว่างอยู่ข้างนอกนะนึกว่าดีเจนกระทั้งผ่านไปเป็นปีเริ่มสงสัยว่าทําไมไม่พัฒนามันสงบมันสบายอยู่แค่นี้เองไม่พัฒนาไปเจอหลวงตามหาบวัวไปตามท่านบกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแล้วทําไมมันไม่พัฒนาท่านมองหน้าเราประทัดท่านก็บอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรอะไรสู้บริกรรมไม่ได้ ท่านาว่าอย่างนี้พอท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อก็รับถอยออกมาจากท่านนิดนึงยังอยู่ใกล้ๆท่านแหะท่านนั่งฉันเข้าวเราก็อยู่ข้างหลังท่าน<ม>พุโทโธพุโทพโธไปท่านให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธนะจิตอึดอัดเหมือนจะแตกเลยเราเฮ้พุโทโธไม่เหมาะกับเราใจเราไม่ชอบพุโทโธพุโทโธเป็นความคิดเราไม่ชอบคิดคิดมากหงุดหงิดพุดโทโธเราไม่มีความสุข เลยพิจราว่าทำไมหลวงตาให้บริกรรมสมาธิเราไม่พอแล้วจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราไปอยู่ข้างนอกพอรู้ว่าจิตเราไปหลงอยู่ข้างนอกในความว่างอยู่ข้างนอกนะหลวงพ่อไม่ได้พูดโธหรอกหลวงพ่อมาใช้กรรมฐานที่เราคุ้นเคยมีความสุขคือหายใจหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อย que. มีสติรู้การหายใจเข้ามีสติรู้การหายใจออกนะรู้ไปเรื่อย que. ถ้าชำนาญแล้วหายใจเข้าหายใจออกไม่ต่างกันนะแต่ถ้าไม่ชํานาญแล้วก็ให้หายใจออกก่อนหายใจออกก่อนเนี่ยจิตจะคลายหายใจเข้าก่อนจิตจะแข็งลองดูสิหายใจออกก่อนจิตจะคลายจริงไหมแต่หายใจเข้าก่อนเนี่ยจิตจะแข็งเนี่ยหลวงพ่อดูปุ๊บรู้เลยเนี่ยจมื่อี้นี้กลังหายใจเข้าจิตมันแข็งขึ้นมา งั้นถ้ายังไม่ชํานาญหายใจออกก่อนถ้าลมในปอดมีนิดเดียวก็หายใจออกนิดเดียวหลวงพ่อเขาใช้อนาปนานสติหายใจไปแป๊บเดียวรู้ว่าจิตอยู่ข้างนอกไม่ไปดึงคืนมาหายใจสบายๆจิตเข้าฐานเองแทบเกระ บ, บาลตัวเองเลยนะเสียเวลาไปเป็นปีเลยเพราะทิ้งสมาธิสมาธิสําคัญนะ พอ เ, เข้ามาตัวนี้ปุ๊บก็ตื่นปัญญาต่อได้เรานี่เราต้องฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแนะนำอนุสติสิบอย่างเป็นของทำง่ายไม่มีลวดลายมากยกไว้นานาปนาสตินะนานาปนาสติกับกายคตาสติสองตัวหลังเนี่ยพลิกแพลงได้เยอะกายคตาสติก็พลิกแพลงได้เยอะเล่นแล้วมีอานิสงส์งมาก ของเราเอาวานี้ส่งน้อยเอาแค่มีความสุขรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมะาเช่นอยู่กับพุทธโธไปคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธโธพุทโธไปนะบริกรรมไปคิดถึงว่าพระพุทธเจ้ามีคุณกับเราอย่างน้นอย่างนี้นะหรือคิดพุทธโธเฉยๆก็ได้พุทธโธพุทธโธไปนะพอใจมีความสุขที่จะพุทธโธเนี่ยจิตจะสงบเนี่ยสมาธิที่จะทําให้จิตสงบนะ ก็คือใช้ใจที่สบายๆ ย, ยวไปเริ่มจากใจที่เครียดนะเอาละต่อไปนี้เราจะพุโทโธให้จิตสงบเรารู้แล้วพุโทโธแล้วจิตมีความสุขพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่สงบต้องใช้จิตที่มีความสุขสัดชิญถอนใจสักทีหนึ่งก่อนก่อนจะทำกรรมฐานถอนใจสักทีหนึ่งใครมันไม่นับถือก็ช่างมัน ตัวนะแล้วไม่น่านับถือเลยก่อนจะนั่งสมาธิถอนใจเฮือกหนึ่งรู้สึกไม่เวลาถอนใจใจมันคลายเอาละใจสบายใจแล้วรู้อารมณ์อย่างสบายใจรู้อารมณ์ที่ทำให้มีความสุขรู้ได้ใจที่สบายแวบเดียวสงบแล้วไม่นานดอกมันมีเคล็ดลับอยู่เท่านี้แหละนะงิ้นบางคนเข้าสมาธิได้เร็วก็จับเคล็ดได้บางคนไม่ได้เคล็ดนะนั่ง ช้ายันค่ำนะยังไม่สงบเลยยอกไปทั้งตัวแล้วนะถ้าเรามีใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขรู้แบบมีความสุขแป๊บเดียวสงบนะสงบแล้วได้อะไรได้กำลังจิตได้แรงที่เราเียว่าไแรงเอาไปทํำมิปัสสนาต้องมีแรงจิตไม่มีแรงทํำมิปัสสนาไม่ได้แล้วสมาธิชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นอาศัยสติรู้ทันนะ รู้ทันอย่างทีแรกเราจะให้จิตสงบเนี่ยเรามีสติเรารู้รู้อารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขใช้สติไปรู้อารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขตัวที่เด่นคือตัวอารมณ์กรรมฐานเช่นเราพุโทโธเรามีสติรู้พุโทโธอยู่เราหายใจเราก็มีสติรู้ลมหายใจเราขยับมืออย่างลงพระเทียนเรามีสติรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหว เราใช้ท้องพองยุบเรามีสติรู้ท้องที่พองมีสติรู้ท้องที่ยุบอย่างนี้จิตสงบรู้สบายสบายได้สมถะมันไปดูท้องพองยุบไม่ใช่วิปัสสนานะยังเป็นสมถะอยู่จิตอยู่ในอารมณม์ันเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขจิตเข้าสมาธิแล้วถ้าเราจะทําสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นนยใช้จิตเป็นหลักไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นหลัก สมาธิชนิดสงบเนี่ยน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องตัวที่เป็นหลักคืออารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้แต่สมาธิชนิดตั้งมั่นใช้จิตเป็นหลักทําอารมณ์เป็นแบ็กกราวของจิตเท่านั้นเองเช่นพุโทโธพุโทโธไปไม่ใช่เพื่อให้จิตไปสงบอยู่กับพุโทโธแต่พุโทโธพุโทโธไปนะเพื่อรู้ทันจิตพุโทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันพุโทโธแล้วจิตไปจับอยู่ที่คําว่าพุโทโธก็รู้ทัน หรือเราหายใจนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะถ้าจิตเราไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมาธิอย่างแรกจิตไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งที่จิตไปให้ความสำคัญอยู่ที่ตัวลมหายใจคือตัวอารมณ์แต่ถ้าเป็นสมาธิอย่างที่สองจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ย แล้วหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะงั้นตัวหลักที่เราจะรู้คือรู้ทันจิตที่เคลื่อนแต่ตรงนี้มีเคล็ดลับอีกตัวหนึ่งอย่าเพ่งจิตอย่าเพ่งอย่าจ้องไหนมึง อ, อยู่เคลื่อนอยังจ้องอย่างนี้ยนะจ้องเครียดตายเลยใช้ไม่ได้ที่อาจารย์บอกพวกเราส่วนใหญ่ยังเพ่งอยู่นะคือไปเพ่งจิตนั่นแหละ อย่ไปเพ่งมันะปล่อยให้มันเคลื่อนแล้วรู้นะพุโทโธพุโทโธพุโทโธเล่นๆไปพุโทโธดีๆอยู่แป๊บเดียวพุโทโธเอ้ยอะไรเงี้มันนะเปลี่ยนไปเรื่องอื่นแล้วอย่างเนี้ยรู้ทันเฮ้ยหลงไปแล้วรู้ว่ามันหลงไปแล้ะหลงไปแล้ ว, ลลวคํานี้มีความหมายไม่ใช่กําลังหลงนะแต่หลงไปแล้วโลบไปแล้วโกรดไปแล้วหลงไปแล้ว งั้นถ้าเราจะให้จิตตั้งมัน่นให้รู้จิตที่ไม่ตั้งมั่นถ้าเมื่อไรรู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นเพราะมันฟุ้งซ่านจิตไม่จะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะสติเกิดสติเกิดเมื่อไร่อากุศลดักเมื่อนั้นจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเพราะมันมีอากุศลคือมันมีอุทัศจัความฟุ้งซ่านพอเรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตสงบเองสงบแบบรู้ตัวด้วยตั้งมั่นอยู่กับเน้อกับตัวจิตตัวเนี้เอาไว้เดินวิปัสสนานะ งั้นเวลาจะทาสมถะนีมีสติะระลึกรู้อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขเวลาไปรู้ก็รู้แบบมีความสุขจะสงบถ้าต้องการสมราธิที่ใช้ทำวิปัสสนานะก็ทำกรรมฐานอย่างหนึง่งแต่อย่าไปเพ่งใส่ตัวอารมณ์ให้รู้ทันจิตปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับให้มันนิ่งแต่ว่าพอมันเคลื่อนไปแล้วรู้ทันเคลื่อนไปคิดก็รู้ อย่างเราพุทโธเนี่ยดีมากนะพุทโธอ่ะพุทโธเป็นความคิดเพราะเราลืมตัวเราไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราทิ้งการคิดพุทโธเราไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องขนมเรื่องอะไรคิดได้หมดอ่ะเรื่องอเมริกาเรื่องอะไรก็คิดได้ใช่ไหมเนี่ยถ้าเราคิดพุทโธอยู่จนชินนะพอมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเราจะนึกได้เร็วเฮ้ยลืมพุทโธแล้วแสดงว่าเผลอไปแล้วเนี่ยพุทโธดีตรงเนี้ยเพราะพุทโธคือตัวความคิดแต่เป็นความคิดที่เราจงใจคิด เวลาเราเผลอเนี่ยมันจะคิดแบบไม่จงใจมันคิดสารพัดเรื่องหาระบบการคิดไม่ได้เลยมั่วซั่วเพราะงั้นเราอย่างเราคิดพุดโทโธพุโทโธไปอย่างเงี้ยพอจิตมันไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่าเฮ้ยขาดสติแล้วพอรู้ทันว่ามันหลงไปคิดแล้วนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งได้สมาธิขึ้นแว บ, บหนึ่งอันนี้จะได้คณิกาสมาธิแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเข้าฌานจะเข้าฌานก็ไปเล่น ที่ลึกกว่านี้นะอานาปนสตินั้นเข้าฌานได้อย่างพุโทโธไม่ถึงฌานแต่ถ้าพุโทโธแล้วดูจิตตรงนี้เข้าอารูปได้แต่ไม่ได้เข้าเพราะพุโทโธเข้าเพราะว่าไปดูจิตเข้ า, าเข้าอารูปไหนะเรื่องของสมาธินะ่ะลีลาเยอะนะสนุกเพราะงั้นใครไปเล่นเรื่องนี้แล้วไม่เลิกหรอกเล่นแล้วไม่ทําวิปัสสนาแล้วสนุก นั่นเราเรียนสมาธินี้นิดหน่อยๆทีละขณะทีละขณะ น, นี่ปลอดภัยกว่าจะได้ไม่ไปติดสมาธิต้องมานั่งแก่ทำกรรมฐานสะอย่างนะเช่นพุโทโธหรือหายใจแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นเอาไว้ทำหิปัสนาถ้าเรามีสมาธิที่ตั้งมั่นจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะคราวนี้ร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้เลยรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเรา ความรู้สึกสุขทุกขด์ดีชั่วเกิดขึ้นจะรู้เลยว่านมามธรรมมันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงเคลื่อ น, นไหวไม่ใช่ตัวเรานมามธรรมไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้ว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเรามันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกนะเนี่ยดูได้สามระดับนะหยาบที่สุดคือดูร่างกายดูรูปต่อมาดูตัวความรู้สึกนะ ตัวสุดท้ายที่ดูยากหน่อยคือดูตัวผู้รู้สึกคือตัวจิตวิธีดูจิตก็ดูจิตเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้ฟังเป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้คือรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เดี๋ยวก็วิ่งไปทางทวารทั้งหกนะเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดหลงไปทางใจเวลาจิตหลงไปคิดรู้สึกไหมมันเคลื่อนนะมันเคลื่อนเหมือนกันนะเวลาคิดอะ รู้ฐานว่าเคลือ่อนเสียตั้งมัน่นขึ้นมาไปฝึกเอานะแล้วก็เดินปัญญาต่อพอมีจิตเป็นผู้รู้แล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเห็นความสุขทุกข์ดีชั่วเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหจิตเป็นคนดนะูเนี่ยเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอเดินปัญญาอย่างนี้เรียกว่าทำมิปัสนาอยูนะ่เดินปัญญาอยู่ช่วงหนึ่งหมดแหลง หมดแรงกลับมาทำสมาธิชนิดสงบกลับมาพุโทโธให้น้อมจิตไปอยู่ที่พุโทโธความสงบหรือเวลาดูจิตเนี่ยนะน้อมจิตอยู่ที่จิตก็ได้นะไม่ได้เคลื่อนไปที่โน้นที่นี่เลยตั้งมั่นอยู่นี่แหละแต่ว่าตัดการเจริญปัญญาออกเนี่ยอย่างเงี้ยทรงตัวของจิตอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาอันนี้ก็เป็นสมถะ น, นะแต่ว่าจับอยู่ที่ตัวจิต แต่ถ้าจับไม่เป็นนมันจะเกิดจิตซ้อนจิตถ้าเป็นตัวจิตซ้อนจิตไปเรื่อยๆนเะขาเรียกว่าบิญญาณอันใจ ย, ยตนะนะเป็นอรูปอย่างหนึง่งไปกินข้าวไปเรียนมากแล้วเดี๋ยวปวดหัวเวลาไปกินข้าวคอยรู้ทันจิตที่วิ่งไปทางโน้นทางนี้นะวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูอะไรรู้ได้ก็เอาถ้ารู้ไม่ได้ก็จิตตะกละรู้ว่าตะกละจิตโมโหรู้ว่าโมโหอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ ดูจิตไม่ออกก็เห็นร่างกายมันกำลังไปยืนเข้าแถวหนึ่งดูไป